จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะบรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็จะบรรยายในหัวข้อว่าสามั ญ, ญลักษณะสามประการคําว่าสามั ญ, ญลักษณะนี้หมายความว่า ลักษณะที่เสมอกันแห่งสังขารทั้งปวงเรียกว่าสามัญลักษณะหรือว่าบางที่ก็เรียกว่าไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์ก็คือว่าลักษณะสามประการไตรไรว่าสามลักษณะก็หมายถึงว่ารูปร่างหรือว่าอาการมีอาการหรือว่ามีลักษณะสามอย่างอย่างนี้แหละเรียกว่าสามัญลักษณะ สามัญลักษณะก็มีสามอย่างก็คือหนึ่งอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงสองทุกขตาความเป็นทุกข์สามอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนทั้งสามอย่างนี่แหละเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือว่าไตรลักษณ์ฉะนั้นอาท่านผู้ฟังก็พึงทราบไว้ว่าคนเรานั้นมีคําหนึ่งที่เรียกว่าสังขาร น, นะ คำว่าสังขารพูดง่ายๆหรือว่าทาความเข้าใจง่ายๆก็หมายถึงว่าตัวเราร่างกายของเรานี่แหละเขาเรียกว่าสังขารพูดตามสภาวธรรมก็คือว่าสิ่งที่ธรรมดาคุมกันเข้าจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมนีดินน้ำไฟลมนี่แหละเรียกว่าสังขารเช่นร่างกายก็ดีต้นไม้ก็ดีสิ่งที่คนคุมกันเข้าจากสัมภาระเช่นว่า เช่นประกอบเป็นรถเป็นเรือนะอย่างนี้แหละชื่อว่าสังขารทั้งนั้นนะหรือจะเรียกให้ยังสั้นที่สุดก็คือว่าสังขารคือสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งนะชื่อว่าสังขารสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนันะ่นแหละเรียกว่าสังขารสังขารนั้นก็ยังแบ่งออกอีกเป็นสองอย่างคือหนึ่งอุปาทินกะสังขารคือสังขารมีใจครอง อนุปาทินกาสังขารคือสังขารไม่มีใจครองนะอุปาทินกาสังขารที่ว่าสังขารมีใจครองก็มีพวกเทวดาพวกมนุษย์หรืออมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานหรือว่ารวมความแล้วก็คือว่าพวกสัตว์มนุษย์นั่นเองนะพวกสัตว์มนุษย์นั่นเองอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าอุปาทินกะสังขารคือสังขารมีใจครองหรือสังขารมีวิญญาณครองนะ เพราะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นต้นเป็นผู้ปรุงแต่งตกแต่งให้เกิดขึ้นอ่าให้เกิดขึ้นเป็นมนุษย์ก็ได้นะเป็นอมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงชานก็ได้เป็นเทวดาก็ได้นะนี่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเพราะมีจิตใจรู้สึกสุขทุกขนะรู้สึกสุขทุกขแต่อนุปาทิฏฐสังขารได้แก่ของที่มีอยู่ตามธรรมดา อันหาวิญญาณมีได้ก็คือว่าเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำตึกรามบ้านเรือนหรือของบุคคลที่ตกแต่งขึ้นย่าเรือนสิ่งของต่างๆที่สำหรับใช้สอยเป็นต้นของเหล่านี้ก็มีเหตุปัจจัยปรงแต่งขึ้นเหมือนกันแต่ก็หามีจิตใจรู้สึกสุขทุกข์ไม่ อย่างนี้แหละก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนุภาธินาคสังขารคือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองหรือไม่มีจิตใจครองนะแต่ที่เรียกว่าสามัญลักษณะก็คือลักษณะที่เสมอกันแห่งสังขารทั้งปวงก็เช่นว่ามนุษย์นะเช่นว่ามนุษย์คนเรามนุษย์หรือสัตว์หรือเทพ ย, ายดาต่างๆเหล่านี้ ก็จะมีลักษณะที่เสมอเหมือนกันก็คือว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอคนเราทุกคนนั้นก็มีฐานะต่างๆกันบางคนก็เป็นเศรษฐีนะบางคนก็เป็นเครหาบดีบางคนก็เป็นยาจกฟัวนิพกขอทานซึ่งซึ่งก็ผิดแผกแตกกันไปนะ บางคนก็มีอำนาจวาสนามากบางคนก็มีอานาจวาสนาน้อยบางคนก็มีกำลังมากบางคนก็มีกำลังน้อยความแตกต่างผิดแผกแม้มีอยู่เช่นนี้ก็จริงแต่ก็มีลักษณะสามอย่างก็คือว่ามนุษย์ทุกๆคนที่เกิดมาหาได้ผิดแผกแตกต่างกันไปไมมที่ว่าไม่ผิดแผกแตกกันนั้นก็หมายความว่ามีลักษณะที่จะเสมอเหมือนกันไปใครจะล่วงพ้นไปไม่ได้ ก็คือต้องมีลักษณะทั้งสามประการนะมีลักษณะทั้งสามประการหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้นะเรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราทุกคนหนีไม่พ้นในกฎในกฎของธรรมชาตินะเป็นกฎธรรมดาของโลกนะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, นะตตตตายหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่จีรังยั่งยืนอันนี้แหละมันเป็นธรรมดาของโลกนะการที่เราได้เรียนรู้เรื่องสามัญลักษณะหรือเรื่องไตรลักษณ์นี้เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของคนเรามากนะเป็นประโยชน์มากเลยแต่ว่าคนเรานั้นไม่ค่อยได้คำนึงถึงนะไม่ค่อยได้คำนึงถึงว่ามันมีประโยชน์มากน้อยอย่างไรอ่านะเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นหรือว่า ที่ดําเนินชีวิตทุกๆวันนี่นะทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่เราได้เห็นได้ประสบนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเลยนะท่านผู้ฟังคงจะนึกเอเรื่องขึ้นได้ที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือเป็นข่าวทางสถานีวิทยุประกาศตอนเช้าทุกวันจนกระทั่งเป็นข่าว เอของอของโลกนะเป็นข่าวระดับโลกก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องตึกสี่ชั้นถล่มทลายนะตึกสี่ชั้นถล่มทลายทับคนงานตายไปยี่สิบกว่าคนแต่ยังสูญหายไปอีกหลายสิบคนนะสูญหายไปอีกหลายสิบคนนี่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะอานิจจงชัดๆเลยเห็นไหมนะนี่แหละมันเป็นอนิจจงเห็นทันตาเลยมันไม่แน่นะ อันนี้ก็ทั้งๆ ท, ที่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คํานึงถึงมัวแต่สารวจเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะสารวจนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงา น, นะานอนาทํ า, ง า, าทงานอยู่แต่ว่าอยู่ๆขึ้นมาในการที่อตึกอีกสามชั้นนั้นไม่สามารถที่จะรองรับในชั้นที่สี่ได้สี่กําลังก่อสร้างมันก็เลยกดซุดลงไปมิดนะมิดชั้นล่างก็เลยว่าจมน้ําจมดินไปเลย เรียกว่าฝังกันทั้งเป็นอบางที่หนังสือพิมพ์ยังพูดว่าถูกธรณีโศก บ, บ้างนะก็ยังดีนะบางคนยังได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ได้หลายสิบคนแหมก็เท่ากับเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่บางคนก็แทบเรียกว่าอีการไปก็มีบางคนก็ส่วนใหญ่แล้วก็กลับหลอกกลับเลี่ยง ก, กันเต็มทีว่างั้นเถอะนี่แหละมันเป็นเรื่องของอนิจจ์นะเป็นเรื่องของสามัญลักษณะเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ มันไม่เที่ยงแพ้แน่นอนนะไม่เที่ยงแพ้แน่นอนเลยฉะนั้นตาหักว่าเราได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสามัญลักษณะหรือเรื่องไตรลักษณ์นี้จะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่นอยู่ด้วยความผาสุขแม้ว่าจะประสบกับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามันเป็นกฎธรรมดานะขอให้นึกว่าธรรมดาของโลกธรรมดาของคนเราธรรมดาของสัต ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดาของตึกรามบ้านเรือนต้นมากรากไม้มันไม่มีอะไรที่เรามันจะบอกได้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่มันไม่รู้นะไม่มีใครรู้อันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้เป็นอนิมิตรธรรมว่าชีวิตของเรานะ่้มันเป็นอนิมิตรธรรมเป็นธรรมะที่หาเครื่องหมายหานิมิตไม่ได้นะ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายจะบอกจะบอกอะไรจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่จะรุ่งเรืองเมื่อไหร่จะล่มจมเมื่อไร่นี่เราไม่รู้มันไม่บอกนะวันนี้พรุ่งนี้ชั่วโมงนี้เมื่อไรไม่มีใครรู้นะนี่เหมือนอย่างที่ว่าตึกถล่มมันนะไม่มีใครรู้ทุกคนกําลังทำหน้าที่สารวนเกี่ยวกับเรื่อทงทำเครื่องกล่องเพชรพวกอะไรต่ออะไ ร, ต, ออะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแค่เซี่ยวงวินาทีเดียวเองฟุกไปหมดเลยนะ นี่ยางดีนะท่านผู้ฟังทั้งหลายบางประเทศที่มีพวกภูเขาไฟมากๆหรือที่เรียกว่าเกิดแผ่นดินไหวนี่ยิ่งหนักนะแผ่นดินไหวทีนี้คนตายอย่างน้อยๆก็เป็นพันๆคนบางทีเมืองทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นทะเลในเสี้ยวของวินาทีทริบเดียวกลายเป็นทะเลนะบางที่นี่ลูกไปโรงเรียนกลับมาไม่ได้แล้วหาบ้านไม่เจอ บ้านกลายเป็นทะเลภูเขาต้นมหมากรากไม้กลายเป็นทะเลหมดเลยแปลกแล้วไม่รู้ว่าบ้านตัวเองไปทั้งไหนนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าไอเรื่องของธรรมชาตินะเรื่องของกฎของธรรมชาติมันไม่บอกเรานะว่าชีวิตของเราจะรุ่งเรืองเมื่อไหรจะล่มจมเมื่อไหร่นี่ไม่มีใครรู้นะและเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเรานั้นจะเกิดความเจ็บปวดป่วยไข้ด้วยโรคอะไรก็ไม่มีใครรู้นะ เราทุกคนไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บปวดป่วยไข้ได้เรื่องอะไร <š ie. S 1> อ่ามันไม่บอกเราไม่บอกเรามาก่อนว่าเอ้อโอาโรคมะเร็งจะเกิดขึ้นแล้วนะโรคปอดโรคหัวใจจะเกิดขึ้นแล้วนะอ่ออาอหิวานตะกโรคจะเกิดขึ้นแล้วนะอ่าถ้ามันบอกเราก็ดีนะเราจะได้ป้องกันไว้ก่อนแต่นี่มันไม่บอกนะเมื่อมันไม่บอกเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องไปห า, ม ห, าหมอแต่บางครั้งคนเราก็ ไม่รู้ไม่เข้าใจกว่าจะไปหาหมอก็แทบแก้ไม่ทันนะหรือก็มากซะแล้วนะมากซะแล้วแก้ก็ต้องเสียมากนะก็ทำให้ตัวเองนั้นต้องหมดเนื้อหมดตัวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคก็มีนะบางคนนี่หมดเนื้อหมดตัวเพราะความเจ็บปวดป่วยไข้ของคนในครอบครัวอันนี้ก็มีมากบางคนก็พอรู้ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไปรักษาเขาก็เป็นง่อยเป็นเปรี้ยไปเลยก็มีนะ บางคนก็ต้องนอนเป็นปีๆนะหลายปีก็มีเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราก็มีกระดุกกระดิดไม่ได้แต่บางคนก็มีบุญมากนะเป็นมากก็รักษาหายเป็นน้อยก็ช่วยสกัดกั้นไว้ได้นะไอ้สิ่งที่ร้ายก็กลายเป็นดีนะสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเราก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรมากนะเขา ให้เราพิจารณาว่าไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่เราคนอื่นก็เจ็บไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่ลูกเมียของเราลูกเมียคนอื่นก็เจ็บไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่สามีภรรยาของเราสามีภรรยาคนอื่นก็เจ็บอันนี้ให้พิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็จะสบายใจนะสบายใจโดยพิจารณาอย่างทองแท้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดนะอะไรมันจะดับไปก็ให้มันดับเราพิจารณาอย่างนี้แหละ จะได้ชื่อว่าเราดำรงชีวิตโดยธรรมเราอยู่โดยธรรมเรียกว่าด้วยอิริยบถสี่ยืนเดินนั่งนอนอยู่โดยธรรมทั้งนั้นไม่ประมาทไม่ประมาทอย่างนี้แหละเท่ากับว่าเรารู้จักต่ออนิมิตตธรรมหรือว่ากฎธรรมดาของโลกต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่เมื่อเราเมื่อเราไม่ทราบว่าชีวิตจะรุ่งเรืองเมื่อไรจะล่มจมเมื่อไรจะตกอับเมื่อไรนะ จะโชคดีโชคร้ายเมื่อไหรนี่เราไม่รู้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นโรคอะไรโรคอะไรนี่เราก็ไม่รู้จะเป็นโรคคือโรคหอบโรคคอโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไอโรคไขวัดน้อยไขวัดใจอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้เลยแต่ที่เรารู้นี่เพราะหมอบอกแต่บางครั้งหมอบอกมันก็สายเกินแก้บางครั้งก็ไม่สายก็ยังแก้ไว้ทันฉะนั้นตามโรงพยาบาลท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่ละโรงนี้แน่นไปหมดเลยนะทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนหรือฐําคลินิกนี้สังเกตดูยังไม่พอกับความต้องการของความเจ็บปวดป่วยไข้ของพลเมืองนะของประเทศของชาวโลกนี่บางคนก็ไม่สามารถจะรักษาในประเทศของตนได้ต้องไปรักษาที่ต่างประเทศนะนี่ฉะนั้นอันนี้แหละในแพทย์นี่เท่ากับว่าพวกแพทย์พวกพยาบาลอานี่ถือว่า เป็นผู้ชุบชีวิตให้กับมนุษย์นะเป็นผู้ชุบชีวิตให้กับมนุษย์บางคนแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดนี่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะตับไตไส้พุงเนี่ยโอ้โหต้องตัดแล้วตัดเล่าซึ่งมาคิดดูแล้วมันไม่น่าจะรอดมาได้นะมันก็รอดมาได้นี่แหละมันเป็นอนิจจ์นะมันเป็นอนิจจ์บางคนก็ตายไปแล้วก็ยังฟื้นขึ้นมาอีกนะนี่ยังฟื้นขึ้นมาอีกอันนี้ก็มีเยอะแยะนะยังฟื้นขึ้นมาอีกก็มีเยอะแยะยังกับ คนที่จังหวัดราชบุรีนะที่ตลาดลูกแกนะขอประทานโทษฐาว่าพูดผิดนะที่ตลาดโลกแก่นี่ก็เหมือนกันอคนจีนทราบว่าอยู่ร้านจันเกษมก็ต้องขอประทานโทษฐาบว่าอพูดผิดเพี้ยนไปบ้างนะอยู่ร้านจันเกษมอันนี้เท่าแก่คนนี้ก็ได้ตายนะได้ตายไปปรากฏว่าตายไปตั้งสามวันนะสามวัน แกยังฟื้นขึ้นมาได้นะยังฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งเขาทํำศพแล้วนะไปทําศพกันหมดแล้วเอาไปใส่ลงแล้วแต่แกฟื้นขึ้นมาทําไงแกก็ถองเอาศอกเนี่ยถ่องลงนะถ้องกึกกึกกแต่ไม่มีใครได้ยินนะไม่มีใครได้ยินเพราะแกคงจะถ่องจนมันค่อยไปเรื่อว่าแกไม่มีกําลังเอนะ่ไม่มีกําลังแกบอกว่าแกเอาศอกในี่ถ่องลงจนกระทั่งศอกเนี่ยแตกไปหมดนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ทีนี้ก็หลานสาวเนี่ยไปเอาธูปไปจุดไปจุดธูปเทียนบูชาก็ได้ยินเสียงกุกกกก็มาบอกอเตี่ยวมาบอกคุณแม่ว่ากลงนชคล้ายๆว่าจะว่ากงเนี่ยกำลังจะเป็นอะไรนะจะเป็นอะไรหรือว่ามีแมวเข้าไปเสียงกุกกกกรกกอยู่ในนั้นไปเปิดดูที่ไหนได้ปากปรกกรกกรกกากกรยกรกยาบกรกกรกกบางคนไมกกรกกรกกรากกกรกกรรกกกกรกก สงสัยผีนี่มันเฮี้ยนแล้วเกินละมั้งนะคงจัดโกรวแต่ปรากฏว่าพอไม่นานเอามาเหยียวยาแกก็ฟื้นขึ้นได้นะฟื้นขึ้นได้หายได้อนะแล้วแกก็ได้บอกเล่าว่าที่แกต้องฟื้นขึ้นมานี้ก็คือว่าแกผัดในอำเภอไว้นะแกบอกว่ามีคนสี่คนได้พาแกไปนะไอ้สี่คนนี้ก็น่นลูกน้องย ม, มาบาล น, นะพวกยมมาโทษลูกน้องย ม, มาบาลได้พาไปนะสี่คน าพาไปแล้วก็รู้สึกว่าได้ถูกลงโทษก็ถามบอกว่าเราน่มัมีชีวิตเป็นอยู่นะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะเป็นคนจีนก็มักจะทำอะไรก็ตามประเพณีจีนทำบุญทานการ ก, ารกุศลไหว้เจ้าก็แบบจีนเอาแต่กระดาษฉะนั้นปรากฏว่าพอไปอยู่ในเมืองนรกแล้วไม่มีอาหารกินนะจะกินข้าวก็เห็นมีกับอาหารดีๆ แต่พอจะเอามือเอื้องไปหยิบเขาก็บอกนี่ไม่ใช่ของเลือฮะอ้วยนี่ไม่ใช่ของเลือ้อทั้งๆ ท, ท, ที่หิวมีแกงหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะแยะสมบูรณ์แต่ว่ากินไม่ได้มันเหมือนมีอะไรมาลังมือไว้นะเอาอยากจะดื่มน้ําก็ดื่มไม่ได้มันมีอะไรมาลังมือไว้นะที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าแล้วของอ้วน่ะอยู่ที่ไหนเราฝ่ายทางโยาบาลบอกว่าของเลื้อก็นอนกันละ่ะชี้ไปทางไห้ขี้เท่า อ, อ๋อนั่นเป็น เป็นกระดาษที่ไหว้เจ้านะเป็นกระดาษที่ไหว้เจ้าก็หมายความว่าคนจีนนะไหว้เจ้านะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนๆเดี๋ยวนี้ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีแล้วหมดไปแล้วคนจีนสมัยใหม่นี่ทําบุญมากนะทําบุญมากมากซะกว่าคนไทยสิอ่อที่เขาทําจริงๆแล้วทําจริงๆคนจีนเดี๋ยวนี้อ่าสมัยก่อนก็มากกับเผากระดาษไหว้เจ้าฉะนั้นก็บอกว่านั่นแหละอ่าที่หรือทําบุญก็คือไหว้เจ้าฉะนั้นเลยก็มีแต่กระดาษเป็นขี้เท่ากิน อืก็บอกแหมหมดท่าเลยดะนั้นก็ขอให้ว่าได้ขึ้นกลับไปสร้างบุญสร้างกุศลสักสองปีว่าะงั้นเถอะก็ไปผัดในายอำเภอไว้อเมืองนรกก็มีนายอำเภอนะั่ท่านผู้ฟังอืมไปผัดนาอำเภอไว้บอกว่าขอขึ้นไปทําบุญสองปีนายอำเภอบอกเอามาเป็นไรแล้วก็จะไปรับกลับมาปรากฏว่าพอในเท่าแก่คนนี้พอขึ้นมาก็ทําบุญทานการ ก, ารกุศลเป็นการใหญ่นะหลังจากฟื้นมาแล้วก็ทําบุญทานการกุศลเป็นการใหญ่เลย ทำบุญเข้าวัดโน้วนวัดนี้เรียกว่าวัดใกล้ๆตลาดใกล้บ้านเรียนเขียนนี้หมดเป็นที่รู้กันว่าเท่าแก่นี้สร้างบุญสร้างกุศลมากแต่พอถึงสองปีเขาก็มาเอาไปจริงๆนะมารับไปจริงๆนี่อันนี้แหละจึงบอกว่ามันไม่แน่นะชีวิตของเรามันไม่แน่อถ้าจะพูดเป็นอคำนั้นๆก็เรียกว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนแต่ว่าเราต้องนอนแน่ฮะแต่ว่าเราต้องนอนแน่ และจะนอนเมื่อไรเราก็ไม่รู้ไม่ทราบวันนี้พรุ่งนี้ชั่วโมงนี้เราก็ไม่รู้นะนี่แหละจึงบอกชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าเราต้องนอนแน่นี่ฉะนั้นก็รู้ว่าเมื่อเราไม่ทราบว่า เ, เราจะเจ็บปวดป่วยไข้ได้โรคอะไร อ, อ, อันนี้มันก็เป็นธรรมดาฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาทนะเราก็ไม่ควรประมาทและประการที่สามก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่า เราจะทอดร่างลงที่ไหนนะจะทอดร่างลงที่ไหนเราไม่รู้เลยทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะทอดร่างลงที่ไหนนะจะลงที่บ้านนะลงที่ถนนหรือว่าลงที่แม่น้ำหรือว่าลงบนเครื่องบินในรถในเรืออะไรนี่เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปทอดร่างของเราลงที่ไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนี่มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่มีเครื่องหมายหานนมิตหมายไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบอกเหตุว่าเราจะต้องนอนทอดร่างที่นั่นนอนทอดร่างที่นี่นี่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ประการที่สี่ก็คือว่าเราไม่ทราบหรอกว่าเราจะตายเมื่อไรนะไม่ทราบเลยว่าเราจะตายเมื่อไร ตายเดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราไม่รู้เลยนี่แหละจึงบอกว่าความตายเป็นของไม่แน่นอนนะเป็นของไม่แน่นอนความตายเนะี่มันเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าเรานั้นต้องตายแน่นะต้องตายแน่และประการสุดท้ายก็คือว่าคติเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรจะไปเกิดในสุขติหรือทุกขตินะเราไม่รู้เลยแต่มันก็ มีโอกาสเป็นได้ทั้งสองทั้งสุกติและทุกติถ้าเราบำเพ็ญทานบนกุศลไป ม, มากโอกาสที่จะไปสุกติมันก็มีมากถ้าเราทำบาปทำอกุศลกรรมไปมากความเดือดร้อนในมากมีโอกาสที่จะไปทุกติมากนะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่พระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสรับรองไว้ว่าจิตเตะสังกิเลตเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปเกิดในทุกติคือเกิดในอบายภูมินะพวก เบรนรกอสุรกายเดรฉ า, านนี่จิตไปอาังกิริเตสุกติปาติกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสุกตินะไปสุกติก็คือว่าไปเกิดดีก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอราหันต์อย่างนี้เรียกว่าไปสุกตินะไปสุกติฉะนั้นนี่แหละเราก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะมีคติไปอย่างไรนะจะไปบุญหรือไปบาปไปนรกไปสวรรค์อันนี้เราไม่รู้ ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าชีวิตมันเป็นอนิมิตธรรมไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราจะรุ่งเรืองเมื่อไรจะย่อยยับเมื่อไรจะอับปางเมื่อไรจะยากจนเมื่อไรจะถึงความขับแค้นเมื่อไรจะถึงความร่ำรวยเมื่อไรถึงความรุ่งเรืองเมื่อไรเราไม่รู้และเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บปวดใครโดยโรคอะไระและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทอดร่างลงที่ไหนบนพื้นแผ่นดินหรือว่าบนตึกบนประสาท ตึกสองชั้นสาชั้นเจ็ดชั้นหรือว่าตำรงพยาบาลอหรือว่านั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้หรือว่าบนเครื่องบินอะไรนี่เราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะว่าความตายนะั้นมันเป็นของไม่แน่นอนนะเป็นของไม่แน่นอนอืมแต่ว่าเราต้องตายแน่ต่างแต่จะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองและสุดท้ายก็คือเมื่อตายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิด ในทางดีหรือในทางที่ชั่วจะไปสุขติหรือทุคตินี่เราก็ไม่รู้ฉะนั้นนี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตจริงว่าเป็นอนิจจ์นะให้คำว่าอนิจจ์นี่แปลว่าความเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะอันนี้มีบาลีรับรองไว้ว่าสเพสังคาราอนิจจา ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยงในที่เราเห็นว่ามันไม่เทีย่ยงในเห็นชัดก็คือว่าที่เป็นอุปาทินากะสังขารนนะคือสังขารมีใจครองย่อมมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นปวนแปรในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายในที่สุดนะข้อนี้เราจะเห็นชัดเลยอย่างเช่นพวกมนุษย์อย่างนี้เราเห็นชัดว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นปวนแปรในท่ามกลางแตกสลายไปในที่สุดพอเกิดขึ้นก็ยังเป็นเด็กเป็นต่อไปก็ เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่แล้วก็หมดกันไป น, นี่แหละมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังให้คําว่าอนิจจังก็คือว่าไม่เที่ยงไม่แน่ถ้านิจจังแล้วก็เที่ยงคือแน่ะคือเที่ยงคือแน่ฉะนั้นในสัง ข, ขารของเราน่ยมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่นมันไม่คงที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรืนะ่อยเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าผมที่แรกก็ดําดเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็ขาวะ หรือบางทีก็เป็นดอกลาวอะไรอย่างนี้เรียกว่านี่แหละมันเป็นอนิจจังนะเมื่อพูดถึงอนิจจังคืออาตมาได้เคยไปบรรยายที่ต่างจังหวัดได้ถามญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ถามบอกโยมให้คำยอมรู้ไม่ว่าคำว่าอนิจจังเนี่ยแปลว่าอะไรนะยอมคนแก่คนหนึ่งอายุสักเจ็ดสิบได้แก่ก็บอกว่ามันก็ไม่จริงไม่จังนะสิ อว่าอ น, นิจจังมันก็ไม่จริงไม่จังอาตมาได้ฟังแล้เออเข้าท่าเข้าท่ามากเลยคาว่าอ น, นิจจังคือไม่จริงไม่จัง น, นี่คือคือสังขารของเราเนี่ยมันไม่จริงไม่จังอมันจะอยู่อย่างนั้นจริงจริงไม่ได้น ะ, นะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นอนิจจ์นะเป็นอนิจจงท่านลองนึกดูสิมีอะไรมั่งเป็นนิจจ์นะเห็นท่าจะหายากนะ แม้แต่ชายหนุ่มหญิงสาวนะที่ว่ารักกันมากปานจะเกลิ่บางทีไม่ได้กันเนี่ยมันเป็นอนิจจ์นี่ไอ้ที่ไม่รักกันก็กลับมาได้กันนี่เห็นไหมมันไม่แน่นอะมันไม่แน่เลยเอนะ่บางครั้งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อเหมือนกันนะอย่างกับเขาบอกว่าที่เหตุนี้เกิดขึ้นที่ทางจังหวัด ภาคใต้ว่านะจังหวัดภาคใต้เข้าใจว่าเป็นที่จังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าพระอาจารย์องค์หนึ่งนะที่วัดหนึ่งนะท่านไปบินธ บ, บาต อ, อแถวหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนะี่ยเป็นประจัำทีนี้วันหนึ่งก็บอกว่าเด็กคนนั้นนะ่ะเขาว่าไปดูหมอเด็กคนใส่บาดว่ายังเป็นเด็กขังจุกเลยมาหมอเขาดูบอกว่าพระองค์ที่มารบับบินธบาตนั่นแหละ ต่อไปจะเป็นแฟนของหนูนะเอจะเป็นแฟนของหนูปรากฏเลยหนูคนนั้นก็ถ้าไปบอกบอกว่าเนี่ยอลุงนะ้าลงุงลุงเนี่ยคือแฟนของหนูอ่าจารย์ถามวใครบอกหมอดูบอกมาอาจารย์ลงนั้นพอไปดูสารรูปหนูนะั้นแล้วก็แหมยังเอาไว้ผมจุกเลยคี้งูกยังเปลือยอยู่เลยเลยไม่พอใจก็เลยเอาฝาบ า, บ า, เาทเนี่ยโคกไปบนศีรษะเขาทีเนี่ยเป็นแผลเป็นไปเลยนะถูกตรงหน้าตรงเนี้ตรงหน้าผากตรงเนี้ เป็นแผลไปเลยแล้วปรากฏว่าท่านพระองค์นี้ท่านก็บวชอยู่หลายปีเหมือนกันแล้วท่านก็สึกไปสึกไปก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็คือไปเจอกับคนนี้นะแล้วก็ได้แต่งงานกับคนนี้เมื่อแต่งงานไปแล้วนั่นแหละจึงได้ไปรู้ว่าไปยังไงมายังไงกันก็เลออ๋อนี่หลักฐานยังมีนะหลักฐานยังมีไอ้ที่เคยเอาฝาบาท อ่าเคาะไปที่ศรีรษะนั้นยังเป็นแผลเป็นยังอยู่ก็คือนี่แหละตัวของคุณ น, นี่เองที่สมัยบวชเป็นพระนี่เห็นไหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นี่มันไม่แน่นะมันไม่แน่เลยอ้าวยิ่งการขับรถอ่าขับเครื่องบินขับอะไรนี่ยิ่งเป็นไม่แน่ใหญ่เลยนะรู้สึกว่าเสี่ยงภัยอันตรายมะกนะเห็นหนังสือพิมพ์ก็ลงว่าเนี่ยไปเที่ยวงาน เจ็ดร้อยปียงลายสือไทยเนี่ยรถคันหนึ่งรถปิกอัพก็บรรทุกคนไปสิบสิบกว่าคนปรากฏว่าประสานงานกับรถทัวร์อ่าสิบกว่าคนนี่เหลือคนขับคนเดียวเรียบเลยนอกนั้นเห็นไหมมันไม่แน่นะฉะนั้นจึงมีคำกลอนบทหนึ่งไว้ว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยนะบ่ายสดชื่นลื่นรายเย็นดับชีพแพห เย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามมวยอาสันนี่เรียกว่าคนเรานั้นมีโอกาสที่จะตายได้ตลอดเวลาอืเช้าสายบ่ายเย็นข่ำนี่เรียกว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายก็ตายแล้วเออเมื่อเช้ายังคุยเอ๊ะตอนสายมาตายซะแล้วเอสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยเอ๊ะเมื่อตอนสายนี่ยังคุยกันยังวเราะ ก, กันเลยคลืน่นเพลงอ้าวตอนบ่ายมาตายเสกแล้วอบ่ายสดชื่นรื่นร่าเย็ยนดับชีพแฮอ้าว เมื่อตอนบ่ายนี่อย่ามาคุยกันเลยดูท่าทียังสดชื่นเรื่องเริงอยู่มาตอนเย็นอ้าวตายใจอีกแล้วเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคํามวยอาสันเห็นไหมอ้าวโมเย็นนี่เห็นยังหยอกลูกอุ้มลูกมานี้เลยเอาา้าวพอคําได้ข่าวว่าตายใจแล้วนี่มันไม่แน่เลยนะนี่มันไม่แน่บางครั้งเราจะเออก็คุยกันอยู่เมื่อสักครู่หนึ่งนะคุยกันอยู่เมื่อกี้นี่เองนี่พอรับหลังไปอา้าวเป็นลมไปจะแล้วรถชนไปจะแล้วนี่เห็นไหม หรือบางทีก็ด้วยอุบัติเหตุที่ยังคาดไม่ถึงต่างๆนานานี่มันเป็นโอกาสที่จะเป็นกับทุกๆคนได้ทางนั้นเลยว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะเป็นของไม่แน่นอนถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็สบายฉะนั้นนี่แหละจีบอกว่าสังขารมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะไม่เที่ยงอย่างนี้ฉะนั้นก็เป็นธรรมด า, าคนเราเมื่ อ, อตอนเป็นเด็กก็ยังอ่อนอยู่นะยังนอนอยู่ในแบ่เบาต่อมาก็เ ต, บติบโตขึ้น จากเด็กเล็กก็เป็นเด็กใหญ่ก็เป็นรุ่นหนุ่ม ร, รุ่นสาวแล้วก็มีรูปกายเจริญเติบโตคนด้วยนะแข็งแรงนะก็เป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องแก่ต้องเท่าต้องชราที่สุดก็คือว่าสุดซมนะพอแก่แล้วร่างกายมันก็สุดซมนะลดซมนะพอร่างกายสุดซมก็เท่ากับว่าเหมือนกับมาทุกคนละภาพนะจิตเจนสิกก็อ่อนแอนะไม่ว่องไวนะจิตเปนสิกอ่อนแอไม่ว่องไวนะ พูกถึงอสติก็สั่นคือนหลงไหลอสติก็ฟันฟนนะฟ่นฟลอนหลงไหลแล้วเรียกว่าชักจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วงงเงินเงินนะงงงงเงนเงิ น, งนจะลุกจะเดินจะเหวี่ยหนมันก็ไม่ค่อยสะดวกอันนี้แหละเรียกว่าเรามีรูปกายและจิตเอจตเอจตสิกแปรปรวนไปนะแปรปรวนไปความสามารถต่างๆก็เสืมถอยไปความจําก็เสื่อมถอยไ ป, ยไปนะเรียกว่า โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เปลีป่ยนแปลไปหมดเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยนะอาการที่แปรปลี่ยนไปอย่างนี้แหละอนะก็มันเหมือนกับเราเดินข้ามสะพานนะเดินข้ามสะพานคือเมื่อตอ น, นเราเกิดใหม่ก็เหมือนว่าเรานี่เริ่มต้นจากขึ้นสะพานแล้วเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยก็คือชีวิตของเรานี่ก็เจติบโตขึ้น เ, เมื่อไปถึงกลางสะพานนั่นแหละคือชีวิตของเราถึงวัยกลางคนเรียกว่ามัดฉิบมาวัย น่ะมัดจิตมาไวพอมัดจิตมาไวแล้วเนื้ไวกลางคนเนี่ยพอสักหนะ้าสิบนี่ยเอาแล้วนะสี่สิบขึ้นไปห้าสิบนี่ถือว่าอยู่กลางคนแล้วตอนนี้เราก็เริ่มลงจากกลางสะพานนะตอนนี้ไวของเราก็เสื่อมถอยแลลงแล้วฮนะลที่สุดก็คือว่าลงมาถึงจุดหมายปลายทางนะก็คือตายแกเท่าตัวเปียกแล้วตอนนี้นะฟุดซม อ, อะ่ะถ้าเป็น ย่าวเป็นเรือนก็เรียกว่าชักปุพังทะลุปุโปรงนะลมพัดมานี่ชักสั่นชักโยกชักคลอนแล้วถ้าเป็นต้นไม้ก็ชักลั่นเที้ยาพาเพี้ยาพาเลยน ะ, นะโยกคลอนแล้วหรือบางทีก็อาจถูกลมแรงเขาก็อาจจะถอนงากเลยก็ได้กิ่งหักเลยก็ได้นี่มันไม่แน่นีมันไม่แน่ดังนั้นนี่แหละเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงลักษณะของความไม่เที่ยมันแปรปรวนไป มันแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลานี่แหละคืออนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงทีนี้ก็พูดให้กว้างออกไปอีกว่าที่เราไม่รู้มันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะอะไรเอที่เรารู้วมันเป็นที่เรารู้ว่าไม่เที่ยงก็เพราะว่าอามีสัญตติตมาปิดบงังสัญตติก็คือการสืบต่อการสืบต่อของอสภาวะธรรมเหตุปัจจัยต่างๆ เ, าเหตุปัจจัยต่างๆ พูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าไอ้เซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนะ่ยมันมีทุกขุมขนไอ้เซนเก่าก็หลุดไปเซนใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนขนเก่าหลุดไปขนใหม่ขึ้นมาแทนนี่มันจะร่น ต, ต, ตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาผมขนและฟันหนังของเราเนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่ไอ้การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละเรียกว่าสัน ต, ติคือมันเป็นอนิจจังแต่ที่เราไม่รู้เป็นอนิจจังเพราะสัน ต, ติมันเกิดบังเอาไว้นแต่ถ้าเรามีสติปัญญา ถึงขั้นที่สุดแน่นอนที่สุดนะได้อาริมัติอริยผลแล้วก็เราจะมีสติปัญญาเห็นพระไตรลักษ์ตามความเป็นจริงได้นะเห็นว่าไตรลักษ์ตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นออันนี้ก็เป็นเรื่องของอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงมาในข้อที่สองก็คือทุกขตานความเป็นทุกความเป็นทุกให้คําว่าความเป็นทุกนี้ถ้าเราจะพูดอีกในหนึ่งคำว่าทุกเนี่ยแปลว่า สภาพที่ทนได้ยากนะหรือสภาวะที่ทนได้ยากทุกนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคมภเนี่ยแปลว่าทนได้ยากนะก็หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นทุกมาตั้งแต่เริ่มปฏิสมธิแล้วนะทุกมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะทุกมาตั้งแต่อยู่ในท้องทุกยั ง, กยงไงเพราะที่เราปฏิสมธิใหม่ๆนั้น ที่เรามาไปส่วนทีก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นกาลละเป็นจุดๆหนึ่งและจุดนั้นมันค่อยขยายเติบโตไปเลยมันไม่สามารถที่จะอยู่เป็นจุด เ, ดเล็กๆอย่างนั้นจนกระทั่งมันต้องขยายัวใหญ่ไปเรื่อยๆไปเรืเ่อยๆจนแตกเป็นกิ่งก้านเป็นสาขาไปนี่แหละเรียกว่ามันทนต่อสภาวะอย่างนั้นไม่ได้มันเกิดความคับแค้นนะ บ, บ, บีบบงังคับนะบีบบังคับเบียดเบียนทาให้ต้อง มีอันเป็นไปต่างๆานั่นอันนั้นทุกโดยสภาวะที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วผลที่สุดก็คือว่าถึงที่สุดลมก็อยู่ในท้องไม่นก็ออกมาทุกข้างนอกทุกข้างนอกฉะนั้นนี่ก็เป็นทุกอย่างหนึ่งทีนี้ทุกอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นง่ายๆก็คือว่าเช่นว่าเรานั่งมันเมื่อยนั่งนานๆ น, น, นี่มันเมื่อยมันก็เป็นทุกเราก็ทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอย่างิริยาบถเป็นลุกขึ้นยืนบ้างยืนเมื่อย ก็ลุกขึ้นเดินบ้างเดินเมื่อยก็นั่งบ้างนั่งเมื่อยก็นอนบ้างนอนเมื่อยก็ลุกขึ้นเนี่ยเราจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่แหละมันเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นทุกข์รู้สึกก็เบื่อนั่งนั่งนอนๆอนนั่งมากก็เป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนมาเป็นยืนยืนมากก็เป็นทุกข์เปลี่ยนมาเป็นเดินเดินมากก็เป็นทุกข์เลยปลี่ยนเป็นนั่งเนี่ยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันเป็นทุกข์ฉะนั้นจึงบอกว่าที่บอกว่าเป็นทุกข์นั้นในทาง บาลีก็มีรับรองไว้ว่ า, าสัพเพสังขาราทุกขานะว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพรว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อันนี้ก็หมายถึงว่าอุปาทินอากาศสังขารนะ ท, ท, ที่จริงนล้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งถ้าเราดูเป็นเผยแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นทุกข์ทั้งอุปาทินอากาศสังขารสังขารมีใจครองและอนุปาทินอากาศสังขารสังขารที่ไม่มีใจครอง แต่ทังขาที่มัมีใจครองนั้นมันไม่มีการรับรู้ไม่เหมือนกับคนเรานะมันไม่มีวิญญาณนะมันไม่บอกแต่มันก็บางคนก็ยังพูดว่าไอ้การที่มันต้องเจ็บโตขึ้นมันผุมันกรนไปมันหักไปมันเก่าไปนี่แหละคือว่ามันเป็นทุกข์ของอนุปาทินอากาสังขารนะเปกอดรามมั้านช่องที่มันต้องเก่าไปกรนไปถูกพังไปนี่หนะมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะเป็นทุกข์อย่างหนึ่งของของอนุปาทินกาศสังขาร่าแต่ว่ามันไม่ได้บอกเรา แต่ว่าเรารู้โดยโอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นซุดโซมไปอย่างนั้นฉะนั้นก็ที่บอกว่าอุปาทินอากาศสังขาร เ, เป็นสังขารที่ว่าเป็นทุกข์คือทนได้ยากอันนี้ก็เราก็เห็นว่าอุปาทินอากาศสังขารที่นับ อ, อว่ามนุษย์ก็คตัวมนุษย์เนี่แหละถือว่าเป็นอุปาทินอากาศสังขารร่นางกายของเรามีเย็นมีร้อนมีหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ สิ่งเหล่นี้มันเบียดเบียนเราอยู่เสมอนะเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูสิอนะเรียกว่าชีวิตของเรานี่เขาจึงเปลียนเหมือนฤดูกาลนะเปลียนเหมือนฤดูกาลมีเย็นมีหนาวมีร้อนนะตอนนี้ก็หนาวเอ้าพอหมดหนาวเดี๋ยวก็ไปร้อนพอหมดร้อนก็ไปฤดูฝนอีกแล้วนะพอฝนก็หนาวหนาวก็ไปร้อนเนี่ยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะวนเวียนอยู่อย่างนี้ แล้วยิ่งไปกว่า น, นั้นเรายังร้อนทพรากิน่อำนาจกิเลสตัณหานะอำนาจอำนาจกิเลสตัณหาราคาคขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะโมหะขี้ไฟคือโมหะสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่ามันวนเวียนอยู่ในตัวของเราในสังขารของเราอาบางครั้งเรากินอาหารไปแล้วมันก็มันก็พอกินไปแล้วก็เกิดความอึดอัดหรือบางครั้งก็เกิดปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอ้าวพอหมดไปแล้วก็หิวอีกแล้วนี่มันก็วนเวียนอยู่ด้วย รรงเียนๆอยู่ด้วยฉะนั้นนี่แหละไอ้สิ่งเหล่านี้มันเบียดเบียนเรานะมันเบียดเบียนเรามันบีบบับบงคับเราอบีบบังคับเราเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวก็ต้องห่มผ้าร้อนก็ต้องอาบน้ําำหรือบางทีก็ต้องหาพัดมวีหาพัดลมหิวก็ต้องบริโภคอาหารกระหายก็ต้องดื่มน้ำปวดอุจจาระปัสสาวะก็ต้องทายแล้วก็ยังจะต้องบริหารด้วยคอยผัดเปลี่ยนที่บดยืนเดินนั่งนอนหอให้พอสมควร ทิ้งเรื่านี้แหละถือว่าเป็นทุกข์ทางนั้นเลยนะเป็นทุกข์ทางนั้นยิ่งถ้าหากว่าเรามีโรคประจําตัวก็ยิ่งทุกข์มากนะนะเกิดโรคมาเบียดเบียนอในโอกาสต่างๆแมมทุกเหลือเกินจะต้องคอยแก้ไขคอยเยียวยาอนะ่นี่มันก็เป็นทุกข์ที่นี้ตามธรรมดานะเรียกว่าเมื่อมันมีเกิดนะก็ต้องมีแกนะ่เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่ คะไอ้เกิดก็เป็นทุกข์แก่มันก็เป็นทุกข์อ่าไอแก่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ใช่เมื่อคนเราเมื่อแก่แล้วมันก็สังเกตดูไอ้โรคต่างๆมันก็ผสมผสานเอาพอเรามีกําลังน้อยก็ทําให้เรานั้นต้องฟุดซมมากนะทางไปง่ายฉะนั้นนี่แหละเป็นทุกข์ที่เราเห็นง่ายๆะเห็นง่ายๆแล้วยังมีอีกก็คือว่ายังมีทุกข์อีกหลายอย่างอย่างเช่นว่าอทุกข์เกิดจากความอพัดพาดจากกันนพัดพาดจากสิ่งที่รัก ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังอาอันนี้ก็เป็นทุกหรือความอยากจนความขัดสมก็เป็นทุกความเสื่อมราศก็เป็นทุกเนืเสื่อมยศก็เป็นทุกถูกนิมภาก็เป็นทุกเรื่างนี้แต่ละอย่างละอย่างล้วนเป็นทุกทางสิ้นฉะนั้นจึงบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็ต้องประจบกับอันตรายต่างๆมีโรคภัยเป็นต้นและต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาเราต้องการอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทนได้ยาก ทำไม่ยากอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นทุกขาตาคือความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์แล้วให้สังเกตดูสิการดาเนิ น, นชีวิตของคนเรานั้นมักจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้วนเวียนกันอยู่เรื่อยแล้วก็ไอเราที่จะถามว่าเป็นไงสบายดีหรอือไอที่จะบอกว่าโอสบายนะสบายไม่ได้ต้องทำอะไรรู้สึกว่าจะยากเรามักจะบอกว่า ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะอย่างดีก็ตอบบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะก็สุขบ้างทุกบ้างแล้วลองไปถามไปบอกว่ารวยไหมเนี่ยทุกคนบอกโอ๊ยรวยอะไรนะรวยอะไรอยากจนออกจากตายทั้งทั้งที่บางทีตัวเองนั้นก็รวยมากแล้วนะมีเงินเป็นล้านก็บอกว่าโอ้ยยังยากจนอยู่ยังไม่พออได้อีสักสองล้านสาล้านก็คงจะพอหรอกอพอได้สองล้านสามล้านไปถาม้วยได้ยังก็โอ้ยยังอีกเท่าไหร่ นี่แหละคือว่าไอ่พอไม่มีมีก็ไม่พอไอ้ถึงไอ้สิ่งที่มีอยู่เราก็ไม่พอไม่พอไอ้ถึงไอ้คนที่มันจะพอมันก็ไม่มีอพอก็ไม่มีมีก็ไม่พอนี่แหละไอ้ความอยากของคนเรามันเป็นอย่างนี้นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงบอกว่าคนเราจึงเป็นทุกทางใจกันอยู่ตลอดเวลาทุกทางใจกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้จักสภาวะธรรม กฎของธรรมชาติคืออันนี้จำคือความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์แล้วเราก็จะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในสังขารนะยึดมั่นถือมั่นในสังขารหรือในสิ่งต่างๆมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยฉะนั้นดังที่เคยบอกว่าทุกจะมีเพายึดทุกจะยืดเพราลอยทุกจะน้อยเพราะนัทุกจะหมดก็พอละฉะนั้นพอเราไปยึดมันจึงจึงเป็นทุกข์ไปยึดไม่ขันห้านะมันจึงเป็นทุกข์งั้นี่สรุปแล้ว่าทุกต่างๆที่ ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันนะถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์นะเพราะมีตัวตนแค่นั้นแหะมันเป็นทุกข์ขึ้นทันทีนะเรียกว่าทุกข์ในขันห้าสังขิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาเนี่ยโยย่นย่อแล้วก็คือทุกข์ในขันห้าลูกในทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาติถ้าหากว่าเราละวางขันห้าเสียได้เราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความจเจริญนะนี่ฉะนั้นอันนี้ก็ เป็นทุกข์นะพูดโดยกว้างๆนะพูดโดยกว้างๆทีนี้ก็มาในข้อที่สามอนัตตานะอนัตตาคือวความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะความเป็นของไม่ใช่ตัวตนพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าตัวเราไม่มีนะเราเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนนะแต่มันมีโดยสมมุติ มันมีโดยสมมุติแต่โดยปรมัตจริงๆนะมันไม่มีอันนี้นมันอยู่ในในสัจจะสองอย่างคือสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติกับปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตคือจริงโดยสมมุติน่คือเรามีจริงชื่อนั้นชื่อนี้ในกอในขอนงมีชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเราสมมุติอันนี้ก็เพื่อสะบวกในการดำรงชีวิตที่จะเรียกค้านวานใช้กันได้ ถ้าหากว่าเราไม่สมมุติชื่อนั้นชื่อนี้ไม่สมมติว่าคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เ อ, อเป็นหัวหน้าเป็นคนเป็นกองแล้วเราก็ไม่รู้จะเรียกขานวานใช้กันอย่างไรจะไปหากันอย่างไรจะพูดอย่างไรได้ถูกฉะนั้นอันนี้ก็ที่สมมุติขึ้นมาก็เพื่อสะดวกในการเรียกขานวานใชเ้เรียกขานวานใช้กันเทแต่จริงๆแล้ว เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นในก็ไม่มีในขอก็ไม่มีแต่มันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นต้องอยู่ต่อไปฟมันยังมีเหตุปัจจัยยังครอบคุมกันอยู่มันก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่นไม่มีอะไรเหลืออยู่ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าในตัวเราเนี่ยมันไม่มีนมันไม่มีจึงไี้บอกว่าสัพเพธรรมาอนตตานะว่าทั้งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตน เป็นของไม่ใช่ตัวตนก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นอุปาทินกาสังขารนะหมายถึงมนุษย์หรือว่าสัตว์เนี่ยมนุษย์ที่ว่าสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ตามใจหวังเป็นไปไม่ได้ตามใจปรารถนาเป็นไปไม่ได้มันฝืนความปรารถนาของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สังเกตดูเมื่อเราเกิดขึ้นมาในเบื้องแรก ฉะนั้นในช่วงที่เรามีชีวิตนี่แหละมันโปรนแปรเรียกว่าปรนแปรอยู่ในท่ามกลางไอ้ความโปรนแปรนี่แหละมันเป็นไปต่างๆนา น, นา น, น, านนะเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโรคเป็นภัยก็บอิจฉามีการอิจฉาตยากันมีความโลภความโกรธความลงอุ้ยสารเพศสารพักเหลือที่จะสั่นมากล่าวนะทุกข์ร้ายแปดว่ามันเถอะเนี่ยไอ้ตัวที่เราตั้งอยู่นี่แหละนะยังมีชีวิตตั้งอยู่ดำรงอยู่ยัง กินได้เดินได้พูดได้เห็นได้อย่างนี้ยนี่แหละมันทุกข์มากแล้วผลที่สุดก็คือก้มหมดกันไปก็คือตายไอ้ตัวตายนี่มันเป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเหลืออยู่นะไม่มีอะไรได้อยู่แม้แต่ร่างกายมันก็ไม่เหลืออยู่เพรอต่อไปมันก็แตกก้อนเน่าก็ผุก้อพังกันไปเน่าเปื่อยกันไปหรือเอาไปเผาไฟมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่นี่อันนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะเราเห็นได้ชัดแต่ที่มันมีนั้นมันก็มีโดยสมมุติสมมุติโดยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเกาะกลุมกันเข้า ยังกระดาษอหนังสือที่เราอ่านที่เราถืออยู่เนี่ย<น>ออย่างนี้สมมุติว่าเป็นหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้นี่สมมุติว่าเป็นกระดาษแต่จริงๆกระดาษมันไม่มีถ้าเราแยกออกไปกระดาษมันมาจากไหนกระดาษมันมาจากไหนนออาามมัจกเฟางข้าวก็ได้มาจากเยื่อไม้ก็ได้มาจากไม้ไผ่ก็ได้โดยใยสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาเอามาผสมในหลายอย่างเข้ามามาทําเป็นกระดาษเมื่อแยกเมือ่อ เมื่อตอนที่เรายังไม่ได้เอาไม้หรือเอาฟางเข้ามาทํากระดาษฉั้นก็ไม่นี้นะแต่พอเอาไอ้สิ่งนั้นมาแปลสภาพเนหลายอย่างเข้ามารวมกันเข้ามันก็กลายเป็นกระดาษสมมุติให้เป็นกระดาษแล้วกระดาษนั้นพอเอาหนังสืออย่างนี้ไปใส่เข้าก็บอกว่าอย่างนี้เป็นธรรมะอนะอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะอันนี้เป็นมิทยาศาสตร์อันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะอันนี้เป็นภูมิศาสตร์อันนี้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยก็แยกออกไปอันนี้เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นแต่จริงๆนะมันไม่มีนะมันไม่มี ฉะนั้นจึงบอกว่าจึงบอกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีตัวไม่มีตนฉะนั้นเมือ่อเมื่อเรารู้โดยความจริงว่าตัวเราไม่มีนของเราไม่มีเราก็ไม่น่าจะต้องทุกข์ต้องเบือดร้อนอะไรนะไม่น่าต้องทุขต้องเ ด, ดือด้นเบือดร้อนอะไรแต่ไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราสําคัญว่ามันมี Lindsey, ว่ามันมีอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นตัวเรา อันนี้เป็นญาติของเราเป็นพ่อแม่ของเรานี่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพราะเป็นญาตินี่คืหายของเรานี่แหละถ้าเราจิงทุกเพราะมันมีถ้าไม่มีแล้วมันไม่เป็นทุกข์นะนี่แหละถ้ามันไม่มีแล้วถ้าเราคิดว่ามันไม่มีแล้วไม่เป็นทุกข์นี่ขอให้ท่านลองนึกดูเช่งว่ามนกอดปวดปวดลูกตาปวดลูกตาแล้วไปถามให้ขอว่าปวดไหมแม่ขอก็บอกไม่ปวด ปวดตาด้วยไหมบอกไม่ปวดทำไมยังไม่ปวดก็เพราะไม่ใช่ตาของในคอเห็นไหมเพราะไม่ใช่ตาของในขอนในขอจึงไม่ปวดแต่โดยจริงๆแล้วนะ่ะแม้แต่ตานั้นก็ไม่ใช่ตาของในขอถ้าในขอคิดว่าตาไม่มีมันก็ไม่มีอะไรจะปวดนะไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่ยพอเราไปยึดม่นแล้วบอกเราปวดขาก็เพราะมันมีขาเราสําคัญว่ามันมีขามันจึงจะปวดใจคนอื่นเนี่ยในคอเขาเจ็บขา แล้วถามให้ขอเจ็บก็คำนั้นบอกไม่เพราะอะไรก็เพราะไม่ได้ขาของตนนี่เห็นไหมเพราะคิดว่าไม่ใช่ขาของตนก็จึงไม่ปวดฉะนั้นอันเหตุการณ์อันนี้ถ้าเกิดขึ้นกับเราเราก็คิดว่าอืมนี่มันเป็นสภาวะธรรมอืมเป็นอย่างนี้ตัวเราไม่มีของเราไม่มีอะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วอย่างนี้เราก็สบายใจอย่าไปปรุงแต่งนะถ้าเราไปปรุงแต่งมันก็แน่นอนไปยึดมันมีขาของเรา มันปวดไม่ได้เราจะต้องรักษาอมันเจ็บไม่ได้เมื่อเจ็บแล้วก็ต้องควรวญครางโอดโอยอะไรอย่างนี้นี่แหละจึงไม่บอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกจะยืดก็เพราะลอยไปนี่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องเชี่ยวเห็นเล้ ว, ว่าอชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรจรังยั่งยืนไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนนะไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนเกิดแล้วก็ต้องตายอนะ ถึงตัวตายก็ตายไม่ตัวตายก็ตายเขาฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายนะแต่เราอยากฆ่ากันเลยถึงเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราไปฆ่ามันก็เป็นเวรเป็นกรรมนี่ให้เรารู้อย่างนี้นะให้เรารู้อย่างนี้ไปฆ่าทำไมต้องไปอิจฉาสยากันทำไมถึงเราไม่อิจฉาสยาเขาก็ตายนะถึงเราไม่อิจฉาสยาเขาก็เดือดร้อนนเราไปอิจฉาสยามเขาแสดงว่าเราเดือดร้อนก่อนเราเดือดร้อนก่อนเขาจึงต้องไปอิจฉาสยาเขาทนไม่ได้ นี่มันเป็นพุทธมันทนไม่ได้ต้องไปอิจฉาสยามเขานะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอิจฉาสยามเขานะไม่ต้องไปแข่งดีเขาเขาไม่ต้องไปอดดีกว่เขานะถึงเราไม่ต้องไปแข่งดีไปอดดีเขาก็ตายเขาไมามาแข่งดีมาอดดีก็่าเราเราก็ตายนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปว่ากันถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาวะธรรมอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเราก็จะมีแต่ความสบายใจฉะนั้นก็ขอสรุปอีกอย่างหนึ่งว่า การที่เราได้ เ, เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันทั้งสามอย่างคืออันนี้จะตาความเป็นของไม่เที่ยงนะทุกขตาความเป็นทุกข์อ น, นันตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดการดํารงชีวิตของเราการทํามาหากินของคนเราการสมาคมระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ต่งางๆนี้เราจะไม่มีทุกข์ไม่มีโทษนะ จะไม่มีทุกไม่มีโทษไม่มีการแข่งแย่งไม่มีการชกชิงวิ่งราวไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันอไม่มีการฆ่ากันไม่มีการรักขโมยกันไม่มีการประพฤติผิดประเวณีอหรือว่าไม่มีการพูดโกหกหลอกลวงไม่ทำสุราเมรัยอันเบียดเบียนกายและใจของเราให้ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายนี่เราจะไม่มีการผิดศีลผิดธรรมกันแต่เพราะว่าเราไม่เข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริง เราจรึงต้องทุกข์เราจรึงต้องเดือดร้อนจึงต้องมีการอิจฉาสยากกันจึงต้องมีกา ร, การคิดจองล้างจองฐานกันมีการปัดแข้งปัดขากันเอารัดเอาเปรียบกันจริงดีจริงเด่นกันมีการดับพ่วงค่าจ้าจงค่าวานค่าอะไรก็ น, นี้สารพัดเลยนี่แหละเพราะเราไม่เข้าใจบางครั้งทั้งมีปรยาะตอนรักกันก็อยู่กันดีแต่ว่าบางครั้งก็มีเหตุอันเป็นไปนะก็ ถึกับต้องฆ่ากันนะนถึงกับต้องฆ่ากันอันนี้มันก็ไม่น่าจะถึงกับอย่างนั้นถึงเราไม่ฆ่าเขาต้องไปแต่ว่าเราไปฆ่าเขาเนี่ยทําให้เรามีทุกข์มากอีกนะเพิ่มทุกข์มากขึ้นอีกนี่พวกเราไม่เข้าใจนะฉะนั้นนุ้งบอกว่าอนิจจงเนี่ยนะเราจะรู้ว่ามันเป็นอนิจจงเนี่ยเขาบอกว่าความไม่เที่ยงเนี่ยให้เราพิจารณาหลักห ย, ยาบๆสามประการนะพิจารณาหลักห ย, ยาบๆสามประการพิจารณายังไงก็คือพิจารณาว่าคนเรา ผู้คนนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายนี่พิจารณาอย่างหยาบๆเกิดมาแล้วก็ต้องตายที่พระท่านบอกว่าอะนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมีโนนะอุปจิตวาเนรุชันติเตสังบูปสมโมสุโคว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงน้องนะอะนิจาวัตสังขาราว่าสังขารไม่เที่ยงนองอุปาทวยธรรมีโนอุปจิตตวาเนรุชันติ มาเกิดขึ้นก็ย่อมดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปอแต่สัง ม, มุปสโมจุโขการเข้าไปสงบแห่งสังขารเสร็จได้ก็เป็นสุข น, นี่เรียกว่าเราพิจารณาเกิดกับตายว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี่เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังแต่การที่สองพิจารณาอย่างอย่างกลางก็คือว่าให้พิจารณาในระหว่างเกิดกับตาย อก็คือในขณะที่เราดำรงชีวิตเปนอยู่เนี่ยเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตะลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตะลอดเวลาจากเด็กก็เป็นเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตนะแล้วก็เป็นนุมเป็นสาวแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็แก่ท้อชราเนี่ยในช่วงนี้แหละมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เลยเราจะเห็นชัดว่ามันเป็นอนิจจ์เป็นอนิจจงให้สังเกตดูวางครั้งเนี่ย เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้จะเริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนแต่พอจากเราไปเนี่ยสองเดือนสามเดือนทุกปีเนี่ยพอมาเจอกันโอ้เราจะเห็นว่าโตไปมากหรือผอมไปมากเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยโอ้โหสูงจังเลยนะนี่นะรู้สึกว่าไม่เจอสองเดือนสามเดือนละปีหนึ่งโอ้โหโตไวเหลือเกินนี่นะเราบอกว่าโตไวเหลือเกินนี่แหละเราจะเห็นชัดเลยแต่ที่เราอยู่ด้วยกันมันเพราะความเคยชินความคุ้นเคยแล้วทําให้มองไม่เห็นการเจริญเติบโตน ี่แล้วประการที่สามก็คือว่าให้เราพิจารณาขั้นละเอียดก็คือว่าพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจว่าชีวิตวัยของเรานั้นเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้ทราบว่าชีวิตของคนเราสังขารของคนเรานั้นมันเป็นของไม่เที่ยงในส่วนที่ว่าสังขารเป็นทุกข์ก็คือให้เราพิจารณาว่าอสังขารเป็นทุกเป็นทุกก็คือว่าทนอยู่ได้ยัง จะเป็นต้นว่าอทุกตามสภาวะก็คือเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นะหรือว่าประกินะก็ทุกข์ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่ว่าความเศร้าโศกความร่ำไรความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจความแห่งแรงใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางนั้นแหละนะประสบสิ่งที่ไม่น่ารักก็หรือว่าได้สิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ใจสิ่งที่รับจากไปก็เป็นทุกข์ใจอ่า ไม่ได้สิ่งที่ตรงหลังตรงตาถนาก็เป็นทุกข์ใจสรุปแล้วก็คือว่าเมื่อมีขันธ์ห้าก็เป็นทุกข์นั่นเองนะเป็นทุกข์นั่นเองหรือว่าทุกข์ก็เกิดจากความหิวกระหายนะปวดอุจจาระปัสสาวะทุกข์ในการแสวงหากินหรือว่าทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสตัณหานทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสตัณหารหรือว่าทุกข์เพราะว่านายลาบแล้วก็กลัวจะเสื่อมนาคได้ยศกลัวจะเสื่อมยศนี่หรือบางทีก็เกิดทุกข์เพราะการธรระวิวาทกันต้องขึ้นเรืขึ้นศาลนี่ อันนี้แนละ้มันเป็นทุกข์ทางนั้นเลยนะเป็นทุกข์ทางนั้นสรุปแล้วก็คือว่าอืเรานั้นทุกข์เพราะมีขันธ์ห้าพราะมีขันธ์ห้า ก, ก็เป็นทุกข์นะี่ฉะนั้นเราต้องรู้จักละรู้จักวางขันธ์เนระื่องแต่ที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอิริยบาบถเริดบงังแต่ที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอัน อ, อันิจังเพราะสันติปิดบงังที่เราไม่รู้ว่าอสังขารเป็นทุกข์ก็เพราะอิริยาบถปิดบังการยืนเดินนอนนั่งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ ทําให้เราหายปวดหายเมื่อยหายเป็นทุกข์แต่มันก็วนๆเวียนๆอยู่เรื่อยนะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ในข้อที่สามก็คือว่าอันนั้ตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็ให้เราพิจารณาอยู่ในหลักที่ว่าว่าในสังขารของเราเนี่ยนตัวของเราเนี่ยมันสูมความมันสูมความปรารถนานะมันสูมความปรารถนาของคนเรานี่ยเราต้องการอะไรเป็นอย่างนี้ มันก็คอยดื้อเราจะมีบาลีบทหนึ่งบอกว่าชาราชาชิตาโหดติขัตถปาทาอ น, นะนัสสวานี่เรียกว่าไอความสังขารของเราเนี่ยมันมีแกนะ่มีความแก่มีความแปรปรวนไปอย่างนี้ทนะุดโทรมไปเป็นธรรมดานะมือและเท้าเนี่ยมันเป็นอวัยวะไม่ฟังตามเราจะไม่ให้มัน เหี่ยวมันก็เหี่ยวไม่ให้มันหยิกมันงอมันก็หงิกงอผมจะไม่ให้มันงอกมันก็งอกตาไม่ให้มันฟ้าฟางมันก็ฟ้าฟางหูจะไม่ให้มันหนักมันตึงมันก็ตึงนี่แหละอันนี้เนี่ยเราไม่ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นนี่แหละมันฝืนความปรารถนาเราน่ะมันฝืนความปรารถนาของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อมาก็คือว่ามันแย้งต่ออัตตาน่ะมันแย้งต่ออัตตก็คือว่ามันไม่มีตัวตนแต่ว่าเราไปสําคัญว่ามันมีตัวตน มันมีตัวกูของกูตัวเราของเรานี่ของเรานั่นของเขานี anna, m, ่ภรรยาเรานี่สามีของเราจริงๆ้วมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องสมมติกนรเรื่องสมมติกันนี่แหละมันจปงเป็นทุกนะแล้วก็ด้วยมันมันมันเป็นสภาพหาเจ้าของมีได้นะหาเจ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของในตัวเราเนี่ยสังขารของเราเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าหาว่ามันเป็นเจ้าของกันได้สมมติว่า ตอนนี้เราบอกเป็นภรรยาของเรามันก็ต้องอยู่ในอำนาจของเราเราก็บังคับได้เราก็บังคับได้ไดแล้วก็ต้องอยูกับเราตลอดไปแต่นี่เปล่าบางทีเราก็จากภรรยาบางทีภรรยาก็จากเรานี่มันไม่ไม่จีรังย่งอยู่อย่างนี้ลูกเนี่มันไม่ใช่ลูกของเรากวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันเราไม่จากมันมันก็จากเรานี่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทราบอย่างนี้แล้ว เ, เราก็จะสบายใจเรื่อคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็น สภาพที่ว่างเปล่าเป็นของศูนย์นะเป็นว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยก็รือว่าไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองแลนะสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นสภาวะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีเหตุมีปัจจัยเกาะกลุ่มเข้ามันก็ทําให้เรายังดารงชีวิตอยู่ได้เมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยก็หมดกันไปที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาเพราะคณะสัญญาคือความสาคัญว่าเป็นก้อนเป็นชิ้นมาปิดบังฉะนั้นการที่ท่านสาวทุกชมทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงเรื่อง ไตรลักษณ์คือลักษณะสามพลงก็ดีหรือสามมารลักษณะลักษณะที่เสมอกันก็ดีเกี่ยวกับเรื่องสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์และทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร